วันนี้เป็นวันเสาร์ที่าพุทธจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธผู้มีจิตฝ่บุญฝ่ายกุศลฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาที่เราจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเพราะพวกเรายัางเป็นพวกคนโง่อยู่คนไม่ฉลาด ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของพวกเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรมาเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีได้อย่างไรนะไม่รู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนต่อจะไปต่อหรือไม่ เราก็ไม่รู้กันเพราะเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษากันเราก็จะไม่รู้เหมือนกับถ้าเราไม่ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเราก็จะไม่รู้ภาษาเราก็จะอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้เพราะเราไม่ได้เล่าเรียนกันมาก่อน ถ้าเราไปโรงเรียนไปเรียนวิธีอ่านหนังสือเขียนหนังสือพอเราเรียนไปเรืียนไปแล้วจดจําไปจดจําไปต่อไปเราก็จะอ่านหนังสือได้เห็นตัวอักษรก็รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่านออกเสียงว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนกันถ้าเราไม่เรียนเราก็จะอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่รู้ภาษาอาจจะพูดได้ฟังได้แต่เวลามีหนังสือมาให้เราอ่านเราก็จะอ่านไม่ออกเวลาเราจะส่งข้อความเขียนหนังสือเราก็เขียนไม่ได้ การศึกษาทางด้านศาสนาก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะศึกษานั้นก็คือเรื่องของตัวเราเองเรื่องของตัวเราว่าเรามาจากไหนและจะไปไหนต่อตามหลักคำสั่งคำสอน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดกาเนิดก็มีสามแบบมาเกิดเป็นคนดีเกิดเป็นคนไม่ดีเกิดเป็นคนแบบต่างๆจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงคือไม่ดีไม่เชื่อ อดีตของเราเราก่อนที่มาเกิดในโลกนี้เราเคยอยู่ในโลกอื่นมาก่อนเราเคยเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคก่อนๆถ้าเราเคยทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างทํากรรมไม่ดีไม่ชั่วบ้างผลเวลาที่เราสรุปบาง สรุปแล้วบางทีเราก็ทำกรรมดีมากกว่าเราก็จะมาเกิดเป็นคนดีถ้ากรรมที่เราสรุปแล้วเป็นความชั่วมากกว่ากรรมอย่างอื่นเราก็จะมาเกิดเป็นคนชั่วถ้าการสรุปของกรรมมันทำให้เรามีกรรม กลางๆไม่ดีไม่ชั่วมากที่สุดเราก็จะมาเกิดเป็นแบบกลางๆคือไม่ดีไม่ชื่วถึงแม้เราอาจจะมาเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่พี่น้องในครอบครัวของเรานี้อาจจะเป็นคนดีเป็นคนชื่วเป็นคนไม่ดีไม่ชั่วเพราะว่า การเป็นคนดีเป็นคนชั่วหรือเป็นคนไม่ดีไม่ชั่วนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ของเราพ่อแม่ทางร่างกายพ่อแม่ทางร่างกายให้ร่างกายเรามาหน้าตาเราอาจจะเหมือนกันเช่นบางคนเป็นฝ้าแฝดออกมาเป็นแฝดสองแฝดสามแฝดสี่หน้าตาเหมือนกันหมดเลย มาจากพ่อแม่อันเดียวกันนี่คือร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเรานี้ได้มาจากพ่อแม่ของเราพ่อแม่มีหน้าตาอย่างไรเราก็จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ทางร่างกายพ่อแม่เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวฝรั่งเราก็จะมีหน้าตาเป็นชาวฝรั่ง ตาแม่มีหน้าตาเป็นชาวไทยหน้าตาของเราก็จะเป็นชาวไทยอันนี้คือทางร่างกายแต่การมีร่างกายเป็นคนอืนหรือเป็นไทยนี้ไม่ได้เป็นการกาหนดว่าเป็นคนดีหรือไม่ใช่เป็นคนดีเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนฝรั่งก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนฝรั่งก็มีคนดีมีคนไม่ดีมีคนกลางกลางคนไทยก็มีคนดีมีคนไม่ดีมีคนกลางกลางเหมือนกันเนี่ยการที่เป็นคนดีไม่ดีเป็นคนกลางกลางนี้ไม่ได้ได้มาจากพ่อแม่ พ่อแม่อาจจะเป็นคนดีแต่ลูกที่มาเกิดอาจจะไม่ได้เป็นคนดีก็ได้หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีแต่ลูกที่มาเกิดอาจจะเป็นคนดีก็ได้เพราะการเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีไม่ชั่วนี้ไม่ได้มาจากร่างกายของพ่อแม่มาจากกรรมคือการของการกระทาของเรา ในอดีตตชาติการหลักศาสนาอันนี้เราไม่ได้อยู่ดีๆก็โผล่มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่มันโผล่มาจากดินน้ำลมไฟพอฝนตกเอาเมล็ดลงไปฝังไว้ในดินต่อไปเมล็ดนั้นก็จะงอกงามขึ้นมาเมื่อได้ดินได้น้ำได้ลมได้ไฟแต่การเป็นคนดีเป็นคนชั่ว การเป็นคนไม่ดีไม่ชื่อนี้เกิดจากการกระทำความดีความเชื่อหรือความไม่ดีไม่ชื่อของเราในอดีตชาติ <c oughs> เพราะว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเรา <c oughs> เมื่อชาติก่อนเราก็เคยมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วเราก็มาทำความดีกันบ้างทำความชื่อกันบ้าง ทำความไม่ดีไม่ชั่วบ้างแล้วมันก็สะสมมึนขึ้นมาทำให้เรามีนิ ส, สัยดีนิ ส, สัยไม่ดีนิ ส, สัยชั่วกันด้ือนิ ส, สัยไม่ดีไม่ชั่วพอร่างกายของเราตายไปแต่ใจที่มีบรรจุด้วยความดีความชั่วความไม่ดีไม่ช่วนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอมันมาได้ร่างกายอันใหม่มันก็เอาความดีความชั่วความไม่ดีไม่ชั่วติดมาด้วยกับใจความดีความเชื่อความไม่ดีความไม่ชั่วนี้อยู่ในใจของแต่ละคนไม่ได้ตายไปกับร่างกายเ <S S> ช่นถ้าเราร่างกายของเราที่เรามีอยู่นี้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องตายไปแต่ใจของเราที่ ดีหรือไม่ดีหรือเ ป, เป็นใจที่กลางกายอันนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ที่เป็นอะไรก็จะไปเกิดได้ร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พ่อแม่คู่ใหม่แต่ <c oughs> เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนกลางกลางนี้ก็ อ, อยู่ที่ การของทำของเราในปัจจุบันในชาตินี้นี่แหละที่ท่านบอกว่าเรามีกรรมเป็นกราเนิดกรรมเนิดก็คือผู้ให้เรามาเกิดเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนกลางกลางครึ่งครงึครึ่งดีครึ่งไม่ดีอันนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ทางร่างกาย พ่าแม่ทางร่างกายให้ร่างกายของเรามาให้ร่างกายที่มีอาการ32คือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแต่ผู้ที่ให้นิ ส, สัยที่ดีนิ ส, สัยที่ไม่ดีนั้นก็คือกรรมคือการกระทําของเราในอดีตชาตินั่นเองเราจึงมาเกิด เป็นคนที่ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันคนหนึ่งก็อาจจะชอบไปเสพใบยมุกชอบไปดื่มสุราชอบไปเล่นการพนันชอบไปเที่ยวชอบไปทำบาปยิงนกตกปลาชอบไปลักเล็กขโมยน้อย ชอบไปประพฤติผิดประเวณีอีกคนหนึ่งนี้กลับไม่ชอบอบายมุขไม่ชอบทำบาปแต่ชอบไปวัดชอบไปทำประโยชน์ไปเป็นอาสาสมัครไปทำกุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นหรือชอบไปไปปฏิบัติธรรมชอบไปฝึกสมาธิ บางคนก็ชอบไปบวชบางคนบวชตั้งแต่เด็กก็มีเกิดมานี่พอเห็นวัดเห็นพระเห็นเนรก็ขอพ่อแม่บวชเลยโดยบางทีพ่อแม่ไม่ได้บอกให้บวชแต่ใจที่เคยฝังที่เคยมีอดีตอยู่กับการบวชพอเห็นพวกนักบวชนี้ก็มีความผูกพันขึ้นมา ท, ทันทีเพราะว่า ได้กระทําในสิ่งที่ตนชอบนั่นเองสิ่งที่ทําให้ตนเองมีความสุขก็จะเลือกสิ่งนั้นคนที่มีความสุขกับอบายามุขกับการทำบาปเขาก็จะเลือกไปทำบาปไปเสพอบายามุข ค, คนที่มีความสุขจากการทำบุญจากการทําความดีต่างๆจากการได้บวชก็จะไปบวชกัน นี่แหละคือความแตกต่างที่ทําให้พวกเราที่มาเกิดนี้มีความแตกต่างกันนั้นก็เกิดจากการกระทาของพวกเราที่เรียกว่ากรรมนี่ที่แตกต่างกันในสมัยอดีตชาตินั่นเอ ง, อางการกระทําของเรานี่ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนเช่นชาติปัจจุบันนี้มันก็จะมีผลต่อการ เป็นตัวตนของเราจะมีผลว่าเราจะเป็นคนดีต่อไปหรือไม่จะเป็นคนชั่วต่อไปหรือไม่หรือจะเป็นคนไม่ดีไม่ชั่วต่อไปหรือไม่อยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันในอดีตนั้นเราไปกลับไปไม่ได้แล้วเราย้อนกลับไปในอดีตชาติไม่ได้กลับไปแก้การกระทาของเราไม่ได้ มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นวิสัยของใครที่จะทําได้เพราะอดี tn ี้มันผ่านไปแล้วทํากรรมอันใดไปแล้วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่อนาคตนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่มาเป็นสิ่งที่จะตามมาจากปัจจุบันอันนี้เราสามารถกําหนดอนาคตของเราได้ เพราะเราถ้าเรารู้เหตุของการที่เราจะไปเป็นในอานาคตว่าเราจะเป็นอะไรเราจะไปเป็นคนดีต่อเราจะไปคนชั่วต่อเราจะเป็นคนไม่ดีไม่ชั่วต่อ<ม>ก็อยู่การกระทำของเราในปัจจุบันนี้เองถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรายังไม่ดีพอเราก็ยังสามารถที่จะ ทำให้ดีไปกว่า น, นี้ได้วันนี้เราเป็นคนอย่างนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตแล้วเราอาจจะไม่ต้องรอถึงพบหน้าชาติหน้า<ม>เราก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวเราเองให้เป็นคนดีได้ในชาตินี้เลย<ม>แต่ไม่ใช่วันนี้<ม>หรือเมื่อวานนี้<ม>วันนี้เป็นเวลาที่เราจะปรับปรุงปรับตัวกัน<ม>อดีตเรากลับไปปรับไม่ได้ เช่นบางทีเราเสียดายเมื่อวานนี้เราไปฆ่าสัตว์แต่เราเสียดายเราอยากจะกลับไปเปลี่ยนไม่ให้เป็นทานเป็นการฆ่าสัตว์นี้เราทำไม่ได้แล้วแต่เราทำวันนี้ได้ถ้าวันนี้เกิดมีอะไรจะทำให้เราฆ่าสัตว์เราสามารถเปลี่ยนได้เราเคยยิงนกตกปลา เช่นวันเสาร์อาทิตย์บางทีเพื่อนฝูงมาชวนให้เราไปเที่ยวทะเลกันไปตกปลากันไปดื่มเหล้ากันไปสนุกสนานเฮฮากันถ้าเราได้มาศึกษาเรื่องกรรมแล้วแล้วเรารู้ว่ามันเป็นการกระทาที่ไม่ดีเป็นการกระทาความชั่วที่จะส่งผลให้เราเป็นคนชั่วต่อไป ในภายภาคหน้าอย่างนี้เราก็สามารถแก้กรรมได้เราเคยไปอาทิตย์แล้วเคยไปไปเที่ยวไปทะเลไปเล่นไปเที่ยวกันในทะเลไปดื่มสุราไปไปตกปลาอะไรกันอาทิตย์นี้เพื่อนก็มาชวนให้เราไปอีกอย่างนี้เราถ้าเรารู้ ว่าเป็นกรรมไม่ดีที่จะทำให้เราเป็นคนไม่ดีเราก็อาจจะเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนกรรมได้เปลี่ยนกรรมในปัจจุบันได้พอเพื่อนมาชวนให้เราไปเราก็ขอปฏิเสธไปบอกว่าไม่ไม่ขอขอไม่ไปเพราะว่าได้ศึกษาได้ฟังทำได้ยินคบสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนว่าการดื่มชวรายาเมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีพ็จะทำให้เราเป็นคนไม่ดีการยิงนกตกปลาเนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เราเป็นคนไม่ดีเราอยากจะเป็นคนดีเราก็ขอแก้ไขต่อไปนี้เวลาเพื่อนมาชวนก็ปฏิเสธไป ถ้าเราต้องเสียเพื่อนก็ดีกว่าเสียตัวเราเองถ้าเรารักเพื่อนเรากลัวเสียเพื่อนเราไปทำความชั่วกับเขาเราก็เสียความดีในตัวเราโอกาสที่เราจะเป็นคนดีก็เสียไปเราก็ยังเป็นคนไม่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในหลักของกรรมเราต้องไม่ไปเกงใจใครนะถ้าเราเกงใจคนอื่น เราก็จะเสียคนอื่นเขาชวนเราไปทําบาปชวนเราไปเสพประบายมุขแต่เราไม่อยากไปแต่เราเกรงใจเขาเรากลัวจะเสียเขากลัวเขากลัวเขาจะไม่เป็นเพื่อนเรากลัวเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราถ้าเราเกรงใจเขาเราก็ต้องไปกับเขารักษาความเป็นมิตรภาพเอาไว้ การรักษามิตรภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นการรักษามิตรภาพที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราถึงแม้ว่าทางด้านอื่นอาจจะมีคุณมีประโยชน์ mm hmm. เช่นเขาอาจจ ะ, ะช่วยเราในเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆได้บ้างแต่เขาช่วยเราไม่ได้ในเรื่องของกรรมเราทำกรรมอรันได้ไวแล้วเราต้องเป็นผู้ ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขาไม่มารับผลกรรมให้กับเราเรามีกรรมเป็นของของเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราไปทําบาปทํากรรมไม่ดีเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีต่อไปแต่ถ้าเราไม่ไปทําบาปไม่ทํากรรมไม่ดี เราก็จะไม่ไปเป็นคนไม่ดีดังนั้นเราต้องรู้จักเลือกเลือกสิ่งไหนที่เราควรที่จะควรจะเลือกถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะคาสั่งคาสอนเราจะไม่รู้เรื่องของกรรมว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรมคือการกระทําที่ดีนั่นเองธรรมนี้แปลว่าการกระทําที่ดีหรือกรรมดีให้รักษากรรมดีกรรมดีไว้เพราะกรรมดีนี้แหละจะเป็นที่ส่งผล ให้เราได้มาเกิดเป็นคนดีส่งผลให้เรามีความดีเป็นคู่ที่คุ้มครองรักษาเราความดีนี้แหละที่จะให้ความสุขกับใจของเราไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับใจของเราได้นอกจากการกระทำความดีต่างๆการกระทำความไม่ดีนี้มันก็จะไม่ให้ความสุขกับเรามันจะให้ความทุกข์กับเรา การกระทําที่เป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วมันก็จะไม่ได้ให้ความสุขหรือไม่ได้ให้ความทุกข์กับเราดังนั้นถ้าเราต้องการความสุขเราต้องยึดหลักการกระทํากรรมดีเอาไว้ทําแต่กรรมดีอย่าทํากรรมชั่วเพราะกรรมชั่วนี้จะนําความทุกข์มาให้กับเราขอาขอภัยติดคอ เรงนี้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้หรือถ้าเรารู้เราก็จะเข้าใจผิดเพราะเราจะไปมองกฎแห่งกรรมที่เรื่องของความเจริญทางราบทางราบยศรเสรสุขกัน เราจะคิดว่าถ้าเราทำความดีแล้วเราจะเจริญในลาบยศสารเสริญสุขกันถ้าเราทำความชั่วแล้วเราจะเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรเสิญสุขกันแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปบางทีทำดีแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มี บางทีคนทําชื่อแล้วกับร่ารวยกับเป็นใหญ่เป็นโตก็มีอันนี้ไม่ได้เป็นตัววัดเรื่องของอความดีความชั่วในตัวของคนความเจริญทางลาบยศจราเสนสุขนี้ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเป็นเป็นผลของการกระทำความดีทางจิตใจและในทางตรงกันข้าม ความเสื่อมในลาบยศสารเสรินสุขนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดของการกระทําความชั่วของจิตใจเพราะตามหลักความเป็นจริงนี้ลาบยศสารเสรินสุขนี้มีเหตุมีปัจจัยที่จะทาให้เขาเจริญยศเสื่อมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทาทางทางใจเลยไม่ได้เกิดจากการกระทําของใจเลย เพราะว่าเป็นใต้ราบยศรเสรินุขนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นเป็นธรรมชาติที่มีการเจริญมีการเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงนี้ไม่ได้เกิดจากการทำความดีหรือทำความชั่วของคน มันเป็นเรื่องของภาวะของเหตุปัจจัยต่างๆที่จะมาทำให้เกิดความเจริญกิดความเสื่อมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอันบยศสนรเสริญสุขกันเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะงงว่าทำไมพุทธศาสนาจึงยืนยันว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่อ อันนี้เพราะว่าศาสนายืนยันเรื่องของจิตใจเป็นหลักถ้าทําดีแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่ดีถ้าทําชั่วก็จะเป็นจิตใจที่ชั่วไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจในการแสดงออกถึงความดีถึงความชั่วของจิตใจเท่านั้นเองดังั้นเราเวลาค้คนเราจึงไม่ ไม่ควรจะดูแต่รูปร่างหน้าตาเขาเพียงอย่างเดียวรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจลบาบากถ้ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจรู้หน้าว่าหน้าตาดีหน้าเชื่อถือแต่ไม่รู้ว่าใจนี้เป็นใจคดใจหลอกลวงจะมารู้ก็สายไปเสียแล้วคบกับใหม่ๆถ้าเขาก็เสแสร้งทำความดีต่างๆมาหลอกเราพอเราเผลอเรา เชื่อเขาแล้วเขาก็จะหลอกลวงเราได้ทําลายทรัพย์สินของเราหลอกลวงเอาทรัพย์สินของเราไปแม้แต่ทํำลายชีวิตเราก็ทําได้โบราณทั้งถึงสอนว่าอย่าไว้ใจคนอย่าวางใจคนจะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายอย่าวางใจคนเพราะรู้จักหน้าตาเขา หรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเพียงระยะใหม่ๆเราต้องใช้เวลาพิสูจน์กันระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนจะรู้ว่าคนนี้ดีไม่ดีนี่ต้องคบกันไป น, นานๆและต้องคบกันในหลายสภาพแวดลอ้อมอย่าไปคบกันในแต่ในสภาพที่ที่จเจริญที่สุขกัน เวลาสุขเวลาเจริญก็ดีใจกันเป็นคนดีได้ทุกคนแต่เวลาที่อยู่ในสภาพที่ทุกข์ยากลาบากจะดูซสว่าเขายัางดำรงรักษาความดีของเขาได้หรือไม่เวลาคนเราสุขมันก็สแสดงความดีออกมาได้แต่และว่าทุกข์ยากเหน่อล้าเนี่ยความไม่ดีมันมักจะออกมาแทนที่ถ้ามีความไม่ดีอยู่ แต่ถ้าไม่มีความไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรออกมามีแต่ความดีออกมาเพียงอย่างเดียวนี้คือเรื่องของใจที่เป็นเครื่องวัดของกรรมแระวัดเราวัดกฎแห่งกรรมนี้ที่ใจเราไม่ได้วัดกดแห่งกรรมด้วยการเจริญหรือเสื่อมของราบยศสารเสิญสุขเพราะคนที่เจริญหรือเสื่อมคนที่เจริญจากราบยศสารเสันนี่ ก็อาจจะเป็นทั้งมีทั้งคนดีและเป็นคนไม่ดีก็ได้เช่นเดียวกับคนที่เสื่อมด้วยราบยศสารสุขนี้ก็เป็นทั้งคนดีและเป็นคนไม่ดีได้เหมือนกันเราจะวัดความดีของคนนี้เราต้องวัดที่จิตใจแล้วก็ <c oughs> ความเจริญก็วัดที่จิตใจเหมือนกันแต่ความเจริญนี้ของจิตใจนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ ยากต่อการวัดถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาวิธีที่จะวัดจิตใจของคนว่าจเจริญอย่างไรเสื่อมอย่างไรเบื<ม>้องต้นเราก็จะวัดได้ด้วยการศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ที่ทรงสอนว่า จิตใจของพวกเรานี้สามารถเจริญขึ้นไปได้ในหลายระดับด้วยกันและสามารถเสื่อมลงไปได้ในหลายระดับด้วยกันเช่นกันอยู่ที่การกระทำของของใจหรือของเรานี่เองทำดีใจก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับมีหลายระดับของความเจริญทางด้านจิตใจที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเนื้อของร่างกายหรือวัดได้ด้วยเครื่องมือต่างๆไม่มีเครื่องมืออะไรในโลกนี้ที่จะมาวัดความเจริญของใจได้ว่าใจนี้ <c oughs> อยู่ในระดับไหนส <c oughs> ำหลักพระพุทธศาสนานี้ใจนี้มีแบ่งไว้หลายระดับด้วยกันระดับที่เจริญขวาระดับของมนุษย์นี่เป็นระดับที่พวกเรามามาเป็นกันในตอนนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจเหล่านี้จะยกระดับจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นเทพแล้วก็จากเทพเราก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็จะปเป็นพระอริยเจ้าพระอริยะบุคคลอันนี้เป็นระดับของความเจริญทางด้านจิตใจแล้วก็ ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลําดับด้วยความสุขก็จะมากขึ้นไปแต่ละขั้นก็จะมากขึ้นไปมากขึ้นไป <c oughs> ความสุขขั้นเทพก็จะน้อยกว่าความสุขขั้นพรหมความสุขขั้นพรมนี้ก็จะน้อยกว่าความสุขขั้นพระอริยเจ้านจนไปถึงความสุขขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานอันนี้ก็เป็น <c oughs> ความเจริญเป็นความสุขความเจริญทางด้านจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูได้ทรงค้นพบและที่พวกเรานี้สามารถพิสูจน์ได้ เ, ออเราสามารถพิสูจน์ความเจริญทางด้านจิตใจของเราเองได้ว่าเรานี้จะสามารถเจริญไปถึงขั้นไหนได้ อันนี้พระพุทธเจ้ า, ามีวิธีการให้พวกเราพิสูจน์กันวิธีการนี้ท่านก็สอนด้วยการสอนเรื่องการกระทากรรมนี้เองให้ละการกระทาความชั่วทั้งหลายให้สร้างกรรมดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ของความสุขความเจริญน่าความเสื่อมของจิตใจทุกคนนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแต่ไม่มีใครสามารถที่จะมาพิสูจน์แทนเราได้พระพุทธเจ้าก็มาพิสูจน์ให้เราเห็นไม่ได้เพราะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นนี้ไม่สามารถทำให้เราเห็นได้แต่สอนให้เรารู้จักวิธีทำให้เราเห็นได้ ด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเรื่องของความเจริญความสุขของจิตใจหรือเรื่องของความทุกข์เรื่องของความเสื่อมของจิตใจนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วแล้วก็สามารถมาสอนมาบอกให้เราไปรู้ไปเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถ ปฏิบัติแทนเราได้พิสูจน์แทนเราได้ <c oughs> เราจะต้องเป็นผู้พิสูจน์เอง <c oughs> สิ่งที่จะทำให้เราพิสูจน์ได้ก็คือหนึ่งเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อก่อนเ <c oughs> ชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนพวกเรานี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว แต่พวกเรล่านี้ยังไม่รู้ไม่เห็นกันน่าจะไม่สามารถรู้เห็นได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่เราต้องกระทาเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองด้วยการปฏิบัติตามวิธีการของการพิสูจน์ความจริงอันนี้ วิธีที่พิสุจนก็คือการกระทาของเรานี่เองเปลี่ยนการกระทาของเราเสียแล้วเราจะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองในใจของเราเองแล้วเราก็จะเห็นชัดขึ้นมาถึงว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราเสื่อมทำให้จิตใจเราไม่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราจเจริญ ทำให้เราจิตใจเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่มีความสุขสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปกังวลกับความเป็นไปเป็นมาของเราในอดีตเรากลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้ตอนนี้เราเป็นอะไรมันเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตมันผ่านไปแล้ว เราต้องยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเราเป็นคนดีมากดีน้อยมันก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราในอดีตเราจะเป็นคนดีมากคนชั่วมากคนชั่วน้อยก็เกิดจากการกระทาของเราในอดีตแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนอนาคตของเราที่ที่กำลังจะมาถึงได้ตั้งแต่บัดนี้ไป ด้วยการเปลี่ยนการกระทำของเราถ้าเราเคยกระทาความชั่วการกระทำไม่ดีเราก็ยุติการกระทำเหล่านั้นเสียมันก็จะทำให้ผลที่เกิดจากการกระทำความชั่วของเรานั้นมันก็จะหมดไปมันก็มันก็จะหยุดไปมันไม่เพิ่มเติมพูดอย่างนี้ดีกว่าผลที่เกิดจากการกระทำความชื่อ ในอดีตมันยังอาจจะไม่หมดไปทันทีทันใดแต่ผลที่จะเกิดจากการกระทําความเชื่อในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นในวันพ่งนี้แล้วเพราะเราไม่ทํามันอีกแล้วเช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการทําความดีถ้าเราถ้าเริ่มทําความดีตั้งแต่วันนี้ผลของความดีมันก็จะเริ่มส่งผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือตั้งแต่ วินาทีหลังจากที่เราได้ทำแล้วก็ได้พอได้ทำปั๊บผลมันก็จะเกิดปั๊บขึ้นมาในใจเกิดมากเกิดน้อยก็อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยผลนี้มันเป็นเหมือนกับของอัตโนมัตินี่มันเป็นของเหมือนที่เรากดปุ่มเปิดเวลาเราจะเปิดไฟในห้องแล้วกดปุ่มสวิตช์ไฟไฟก็ติดขึ้นมาทันที เนี่ยที่เรากรรมติดจลวจนี่หมายถึงกรรมที่เกิดผลที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่าไปดูกรรมที่ภายนอกอยู่ไปดูผลที่จะเกิดกับร่างกายเช่นคนนี้ไปป้นไปจี้ตารวจยังตามจับไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของทางโลกเรื่องไม่ใช่เรื่องของทางทางจิตใจทางจิตใจไอ้คนที่ไปป้นตอนนี้มันไม่มีสุขหรอกมันต้องหลบๆซ่อนๆ มันต้องหวาดระแวงหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้จะมีเรียกว่าเป็นความสุขเลยเวลาไม่พ้นนี้กลับสบายกว่าถึงเมื่อจะอดอยากขาดแคลนแต่ก็นอนหลับได้กินได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่พอไปพ้นไปที่แล้วทีนี้ถึงเมื่อจะได้ทองได้เงินมาทองหรือเงินไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขได้ แต่การไปป้นไปจี้ไปทําบาปนี่มันเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่ขอให้เราต้องรู้จักแยกแยะนผลทางด้านร่างกายผลทางด้าน ล, า, า, ล, า, า, นลาบยศฉละสริญสุขนี้มันอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผลที่จะเกิดที่ทางใจนี่มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ติดจลวดด้วยไม่เชื่อลองไปป้นปนร้านทองดู ล้วดูที่เราจะมานั่งเฉยๆนั่งฟังเทศฟังธรรมแบบนี้ได้ไหมทีนี้มองไปรอบด้านก็มองตำรวจมีหรือเปล่าคอยหวาดระแวงนะพอเราไปทำกรรมเชั่วขึ้นมานี้ความเชื่อนี้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราโดยอัตโนมัติเป็นแบบกรรมติดจรวจทันทีนี่คือถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของ ผลของการกระทำความดีความเชั่อ ว, ว่าจะให้เราสุขให้เราเจริญหรือให้เราให้ทุกข์ให้เราเสื่อมนี้ก็อยู่ที่การกระทำนี่แหละแต่สิ่งที่เรื่องของกรรมช่วนี้ท่านว่าอย่าไปพิสูจน์ด้วยการกระทำขอให้เชื่อว่าทำกรรมชั่วแล้วนี่มันทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสื่อมก็พอเพราะถ้าไปพิสูจน์นี่ เดี๋ยวมันจะทําให้เรานี่ทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยพูดเราก็เข้าใจแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ถ้าถ้าอยากจะลองพิสูจน์ก็ได้แต่ใครอยากจะไปไปรับผลของกรรมชั่วบ้างใครอยากจะไปทุกข์อยากจะไปทําให้จิตใจเสื่อมบ้างการกระทําความเชื่อนี้จะทําให้จิตใจเสื่อตมต่ําลงกว่าจากการเป็นมนุษย์ สิ่งที่เรียกว่าต่ำกว่ามนุษย์นี้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันหรือสี่สี่พบภูมิด้วยกันพบภูมิที่หนึ่งก็คือเดรัจฉานถ้าใครลองทำบาปนีไม่ช้าก็เหลือเวลาตายไปแล้วนี่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมทำไปเพราะคิดว่าเป็นการป้องกันตัวเอง ทำไปเพราะว่าเป็นการรักษาชีวิตเช่นเวลาไม่มีอาหารรับประทาน<ม>ก็ จ, จะไปหาปลาไปยิงนกตกปลามาทําเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงชีพในการกระทําแบบนี้มันก็เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์แสัตว์ตใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นอาหารมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับ สัตว์เหมือนกันเพื่อเป็นสัตว์ใหญ่สามารถฆ่าสัตว์ ท, ที่ที่เล็กกว่าหรือถึงแม้จะตัวใหญ่กว่าแต่มนุษย์มีความฉลาดกว่าสามารถฆ่าสัตว์ใหญ่กวานามาทำเป็นอาหารได้ฆ่าวัวฆ่าควายได้เอามาทำเป็นอาหารกินได้ถ้าคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพต้องทำอย่างนี้ก็เวลาตายไปนี่ ก็จะทำให้ใจนี้ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานได้ร่างกายของวัวของควายของสัตว์ที่เราไปฆ่านี่นะี่ะฆ่าสัตว์ชนิดไหนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นเพื่อให้เขากลับมาฆ่าเราให้คนอื่นเขากลับมาฆ่าเราแทนอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำกรรมบรรไดไว้จะดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น <c oughs> อันนี้หมายถึงเวลาไปเกิดใหม่นะในภบหน้าชาติหน้าแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีผลของกรรมที่ติดค้างอยู่เวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็จะมีผลของกรรมที่ทำไว้ยังไม่มียังไม่หมดสิ้นเนี่ยยังติดอยู่กับใจจะทําให้มาเกิด <c oughs> ถ้าเป็นมนุษย์นี่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม หน้าต า, า จ, จะเป็นหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวก็ได้หรือมีอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บมีอายุสั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมที่ยังตกค้างอยู่ในใจยังไม่หมดที่จะส่งผลให้กับผู้ที่ หลังจากที่ไปใช้กรรมด้วยการไปเกิดในอบายแล้วเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วพอกลับมาเกิดใหม่นี้จะไม่ได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามไม่ได้ร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยอาการสามสิบสองทนี้เป็นผลของการกระทากรรมมีหลายลักษณะด้วยกันถ้าเรื่องของภพชาติก็จะทำให้ไปเกิดเป็นไปเกิดในอบาย ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เรื่องของบาปว่าจะส่งผลที่ไม่ดีต่อจิตใจตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัา์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภด้วยความอยากได้อะไรมากๆมากกว่ามากกว่าความจําเป็นที่จะต้องมีทําบาปด้วยความเพื่อเลี้ยงชีพนี้มันก็เบาหน่อย แต่ทำเพื่อความโลภฆ่าวัวตัวเดียวไม่พอฆ่าสักสิบตัวเพื่อจะได้เอาไปขายที่เหลือจะได้เอาเงินมาไปหาความสุขจากอบายมุกหาความสุขจากไปเที่ย ว, ไ ป, ยวไปกินไปดืม่มหรือไปทำอะไรก็ตา่างอันนี้เรียกว่าฆ่าด้วยความโลภทำบาปด้วยความโลภอันนี้ท่านบอกว่าตายไปนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรต เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอเป็นเป็นดวงวิญญาณก็ไม่มีอะไรให้กินตอนเป็นมนุษย์นี่ยังกินวัวกินควายกินเงินกินทองกินเหล็กกินปูนได้พอรับชั่งต่างๆได้ให้มีความอิ่มความสุขได้แต่พอไปเป็นดวงวิญญาณไม่มีอะไรให้กินดวงวิญญาณก็เลยหิวโหยเพราะว่า สิ่งที่จะทำให้ดวงวิญญาณนี้ไม่หิวโหยก็คือการทำบุญนี่เองเนี่ยที่เราอุทิศบุญให้ก็ให้กับพวกที่หิวโหยบุญนี่เองพวกที่เป็นเปรตนี่แหละเป็นผู้ที่จะมารับผลบุญของพวกเราเวลาที่เราอุทิศส่วนบุญไปเพราะว่าเรามีพ่อมีมีพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักเขาโลกคนที่มีความกตัญญูคนที่มีบุญมีคนกับเรา แต่ตัวของท่านเองท่านอาจจะไม่ไม่ทำบุญทำแต่บาปก็ได้พอท่านตายไปท่านก็อาจจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตเราก็เลยมีธรรมเนียมที่เราเวลาเราทำบุญแล้วเราจะแบ่งบุญส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเพื่อถ้าเขาเป็นเปรตเพื่อเข้ามารอรับส่วนบุญ เขาก็จะได้รับส่วนบุญอันนี้ไปแต่เราไม่รู้ถ้าเราไม่มียาณอย่างทราบนี้เราจะไม่รู้ว่ามีดวงวิญญาณของผู้ที่เราอุทิศไปนั้นมารอรับส่วนบุญหรือไม่ยกเว้นในกรณีถ้าเขามาเข้าฝันเราเช่นถ้าเรานอนหลับแล้วฝันถึงคนตายล้วคนตายเขาบอกโอ้ทุกข์ยากลำบากลากเกิน ช่วยส่งอะไรมาให้หน่อยช่วยมาบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้หน่อยถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมีดวงวิญญาณจริงๆมารอรับส่วนบุญจากเราก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่จริงก็ได้เพราะอาจจะเป็นความเพ้อฝันของเราเวลาเรานอนหลับนีใจเราก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆนานาก็ได้เช่นวันนี้ฟังเรื่องดวงวิญญาณมาขอส่วนบุญ เดี๋ยวคนนี้อาจจะฝันถึงเรื่องมีดวงวิญญาณมาขอส่วนบุญก็ได้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่ามีดวงวิญญาณมาขอส่วนบุญโดยตรงเลยก็มีแต่เพื่อความเพื่อความปลอดภัยเพื่อความไม่ประมาทก็ไหนๆฝันถึงคนตายแล้วก็เผื่อไว้ก็แล้วกันเผื่อเขามาขอบุญจากเราจริงๆถ้าเราสามารถแบ่งบุญให้กับเขาได้เราก็ ค่ะนี้ไปใส่บาตรไปทําบุญไปเบิจากเงินทองที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทํากับวัดก็ได้การทําบุญนี้ญาติโยมมันจะเข้าใจาว่าจะอุทิศบุญได้นี่ต้องเป็นบุญที่ทำกับพระกับวัดเท่านั้นทําจริงบุญนี้มันก็คือการเสียสละแบ่งปันทํากับวัดก็เสียสละแบ่งปันทำกับโรงพยาบาลทางับโรงเรียนทากับคนอนาถาทำกับคนไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วย ทำกับคนแก่คนชราคนพิการเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันบุญเหล่านี้เราสามารถอุทิศแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงละไปแล้วไปได้เหมือนกันเพราะบุญนี้เป็นอะไรบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจนั่นเองเวลาที่เราได้ทำบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจอันนี้แหละเราจะให้กับผู้ที่หิวโหยได้ ผู้หิวโหยพอเราอุทิศความอิ่มใจของเราไปให้เขาเพอความอิ่มใจเข้าซึมซาบเข้าไปในดวงวิญญาณของเขาเขาก็ได้รับความอิ่มอกใจปรากฏขึ้นมาในใจของเขาอันนี้หละคือเรียกว่าการอุทิศบุญแต่มันก็เป็นแค่ชั่วสั้นระยะสั้นๆเหมือนอาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอยากจะให้เขามีอาหารทุกมื้อเราก็ต้องทาบุญทุกวัน เช่นใส่บาต ท, ทุกวันเนี่ย <Yes. S 1> จึงมีธรรมเนียมของชาวบ้านเราคนต่างจังหวัด น, นี้เขาจะมีความเชื่อเรื่องทําบุญให้กับปู่ย่าตายายบิดามารดาด้วยการทําบุญใส่บาตกันเพราะพอดีมีวัดอยู่ใกล้บ้าน <c oughs> แล้วก็มีพระมาโปรดสัตว์มาบิณฑบาตเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เขาได้ <c oughs> ส่งบุญไปให้กับบุคคลที่เขามีความรักมีความเคารกมีความกระตัญอู แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี้เขาจะมารอรับส่วนบุญเพราะถ้าเขาทําบุญเป็นประจําอยู่ถ้าเขาทาบุญสาบาตเป็นประจําถือศีลห้าเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเขาก็คงจะไม่ได้ไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหวยแต่ก็ทําเผื่อไว้เป็นความเชื่อที่ดีไม่เสียหายตรงไหน พราะผู้ที่จะได้รับบุญส่วนใหญ่ก็คือผู้กระทำบุญนั่นเองยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญมากยิ่งเป็นเครื่องประกันว่าตายไปไม่ไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนจะไม่ไปเป็นเปรตที่หิวโหยเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเพราะเรามีบุญให้ความอิ่มเอิบใจเราอยู่ทุกวัน <c oughs> นี่ก็คือเรื่องของการทำบาปนะทำบาปนี้ ถ้าทำด้วยความหลงความไม่รู้ว่าเป็นบาปนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบุญด้วยความทำบาปด้วยความโลภควาจริงทำแค่โลภฮะโกงแค่ร้อยบาทก็พอพออยู่ได้แล้วแต่ไม่พอต้องเอาซักพัน้ักเอาทักหมื่นอนี้อันนี้เรียกว่าทำด้วยความโลภ ทำด้วยความโลภมันก็จะทําให้ดวงวิญญาณหิวโหยยิ่งโลภมากเท่าไหร่ยิ่งหิวโหยมากเท่านั้นได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนไปดูเศรษฐีสิร้อยล้านพอไหมไม่พอแล้วเนี่ยพอได้ร้อยล้านที่อยากจะได้พันล้านนะยิ่งหิวยิ่งยิ่งหิวโหยมากขึ้นแล้วถ้าไปได้พันล้านด้วยวิธีชออ่อกงด้วยการทํำบาปเนี่ย โอ้ยจะเป็นดวงวิญญาณที่สุดหิวโหวยเลยหิวโหวยกว่าดวงวิญญาณที่อยากจะได้แค่หมื่นแค่พันนะอันนี้เป็นเรื่องของการกระทาบาปด้วยความโลภแล้วข้อที่สามอบายที่จะพาให้ไปเกิดคือการกระทาบาปด้วยความ <c oughs> กลัวบางคนนี่เป็นนิสัยที่กลัวไปหมดกลัวนั่นกลัวนี่เราต้องหาวิธีป้องกัน ถ้าต้องทำบาปเพื่อป้องกันก็จะทำท่านกลัวมดกลัวมแมลงก็คอยไปหายามาฉีดมากันอยู่เรื่อยๆกลัวงูก็คอยอคอยหามีดคอยหาเครื่องมัมเครื่องมือมาป้องกันถ้าเกิดมีงูเข้ามาก็รีบฆ่ามันทันทีอันนี้เรียกว่าการกระทำบาปด้วยความกลัวตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดผวาทุกกับความหวาดผวา กลัวเรื่องนู้นกลัวเรื่องนี้กลัวไปหมดไม่มีความสุขแล้วถ้าข้อที่สี่คือการกระทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวนจองกลับความเครียดแค้นเวลาใครทำให้เราโกรธขึ้นมานี่เราจะต้องล้างแค้นกันตาต่อตาฟันต่อฟั น, นอันนี้เวลาจะคิดล้างแค้นใครนี่ใจมันจะร้อน แล้วอุขึ้นมาเหมือนไฟเผาไฟเผาบ้านมันเรียกว่าไฟนรกเนี่ยคือใจริมร้อนด้วยความอาฆาาพยาบาทแล้วก็คิดว่าจะดับความร้อนนี้ได้ด้วยการไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขาด้วยการกระทําบาลต่างๆแต่มันไม่ได้ระ ง, งับไฟร้อนหรอกพอทําแล้วมันก็ไฟใจมันยิ่งร้อนใหญ่ร้อนด้วยความวิตกวางความหวาดกลัว กลัาจะถูกเขามาล้างแค้นเราล่ะเราทําเขาได้ทีนี้เขาก็ถ้าตัวเขายังไม่ตายเขาก็พยายามจะกลับมาทําร้ายเราถ้าเขาตายบางทีญาติพี่น้องของเขาครอบครัวของเขาก็อาจจะไม่พอใจก็อาจจะตามมาล้าง <c oughs> ตามมาล้างแค้นก็ได้ <c oughs> อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นนรก <c oughs> นรกเกิดจากการกระทาบาดด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม <c oughs> ศาสนาจึงสอนให้พวกเราใช้ความเมตตาให้ความอภัยกันอย่าไปร่างแค้นกันเลย<ม>เพราะว่ามันจะส่งดวงวิญญาณของเราเวลาตายไปให้ไปตกนรกกัน <c oughs> ถ้าเราให้อภัยได้ขอไม่จองเวรกันถือว่ามันผ่านไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว<ม> เ, เสียเสียอะไรไปแล้วก็เสียไปแต่อย่าทำให้ใจเราเสียด้วยดีกว่า ด้วยการไปอาฆาตพยาบาปไปล่างแค้นเพราะเราไปร่างแค้นเขาแล้วมันจะทําให้ใจเรานี้เสียไปด้วยทําให้ใจเรากลายเป็นนรกขึ้นมามนี่ละคือที่มาที่ไปของของอบายทั้งสี่<ม>อบายทั้งสี่นี้เกิดจากการกระทําบาปด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป<ม>ทําบาปด้วยความหลงก็ทําให้ไปเป็นเดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภก็จะทำให้ไปเป็นเปรตทาบาปด้วยความกลัวก็จะทำให้ไปด้วยความให้ไปเป็นอสุรกายและทําบาปด้วยความโกรธด้วยความชังก็จะพาให้ไปเกิดในนรกทั้งหมดนี้เกิดจากอคติทั้งสี่อคติคืออะไรก็คือรักชังกลัวหลงที่มีฝังอยู่ในใจ ของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงถ้าต้องการที่จะยุติการไปเกิดในในอบายนี้ต้องระงับอคติให้ได้ระงับอคติคือรักชังกลัวหลงให้ได้ด้วยการปฏิบัติความดีแทนที่จะทำบาปเราก็ห้ามอย่าไปทำบาปเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าการทาบาปนี้มันจะส่งให้เราไปอบาย เราก็ต้องปิดประตูบายด้วยการไม่กระทาบาปข้อแรกที่พระเจ้าสอนถ้าเราไม่ทําบาปได้แล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าใจเหล่านี้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นความทุกขความวิตกความกังวลกับบาปกรรมที่เราทานี้มันจะน้อยไปน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ทํานั่นเองเวลาเราทําบาปแต่ละครั้งนี่ใจเราจะไม่สบายทุกครั้งไปแต่พอเราลดหรือทาบาปให้น้อยลง ความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาป <c oughs> มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนต่อไปถ้าเราไม่ทำเลยนี่ความรู้สึกไม่สบายใจจากการทำบาปนี้มันก็จะไม่เกิดเลยถ้าจะเกิดก็เกิดจากบาปกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้มาก่อนแต่มันพอมันส่งผลแล้วมันก็จะหมดไปต่อไปก็จะไม่มีความรู้สึกทุกข์เลยกับเรื่องของบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวง ข้อนี้คือข้อพิสูจน์เรื่องของของเรื่องของอบายเรื่องของผลของการกระทำบาปว่าจะทำให้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้อย่างไรทำให้จิตใจเราไม่เสือ่อมไม่ทุกข์ได้อย่างไรลองทำดูทำแล้วจะเห็นผลแล้วพอเราเราทำ <c oughs> ระงับการกระทำบาปได้แล้วถ้าเราอยากจะยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้น <c oughs> ให้มีความสุขมากขึ้นเราก็ต้องมาทำข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำกันก็คือให้เราทำดีกันทำความดีกันทำบุญชนิดต่างๆกันทำความดีก็คือทำประโยชน์ทาคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นนั่นเองทุกครั้งที่เราทำคุณทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะมากจะน้อยนี่มันจะทำให้เรามีความสุขใจมากน้อยต่างกันไป เพียงแต่ช่วยคนแก่เดินข้ามถนนนี้มันก็เป็นความสุขใจแล้ว mm. เพียงแต่ช่วยคนแก่หิ้วของ mm. เห็นคนแก่เดินมาหิ้วของพลุงพลังสงสาร <c oughs> ก็ช่วย mm. หิ้วของไปส่งที่บ้านนี่ทำเพียงเท่านี้ก็ได้ความสุขแล้วได้บุญแล้ว mm. บุญนี้มีหลายลักษณะด้วยกันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินใช้ทองเพียงอย่างเดียว ใช้กายวาจาใจของเรานี่แหละเป็นเครื่องมือในการกระทาบุญได้ไม่มีเงนินไม่มีทางเราก็ใช้ร่างกายใช้วาจาที่ดีก็ได้เห็นคนเขาซึมเศร้าไม่สบายใจลองพูดปลอบประโลมพูดให้เขามีกำลังใจให้เขามีความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการกระทาความดีนะทำคุณทาประโยชน์ให้กับคนที่เขามีความทุกข์ใจให้เขาคลายบรรเทาความทุกข์ใจได้ ให้เขาคิดว่าเขายัางมีที่เพื่อยังมีเพื่อนที่ดีที่พร้อมที่จะให้กำลังจิตกำลังใจในยามที่ตกทุกข์ได้ยากเวลาที่เศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนี้ให้ทําบุญทําทานกันด้วยวิธีการต่างๆแล้วจิตใจเราก็จะยกระดับขึ้น เพราะว่าใจเราจะมีความสุขมากขึ้น <c oughs> ทุกครั้งที่เราทําคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราจะมีความรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจไม่ค่อยหิวโหยกับอะไรเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ทําบุญทําคุณประโยชน์ ห, หิวหิวกับเรื่องนั้นหิวกับเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องซื้อข้าวซื้อของเรื่องช้อปปิ้งอะไรต่างๆพอเราเอาเวลามาทําความดีกัน ความหิวอยากได้สิ่งต่างๆนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปงโดยอัตโนมัติทําความดีแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุขเมื่อใจมีความสุขมากขึ้นใจก็จเจริญ ม, มากขึ้นไป<ม>ก็จากมนุษย์ก็จะขึ้นไปสู่ระดับของความเป็นเทพ<ม>เป็นเทพด้วยการทําบุญทําทาน<ม>แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่า ร, ระดับเทพไประดับพรหมนี่เราก็ต้องทําการปฏิบัติทำเรียกว่าการภาวนา เกิการทําสมถะ ภ, ภาวนาทําใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้ถ้าเรานั่งสมาธิเข้าฌานได้ใจเราก็จะได้รับความสุขระดับพรหมเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเป็นพรหมแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าระดับพรหมเราก็ต้องปฏิบัติการภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาขั้นสมาธิ ขั้นที่สองวิปัสสนาภาวนาคือขั้นปัญญาสอนใจให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาต้องปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้ายึดไปติดแล้วจะทุกข์ถ้าไม่ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์พอปล่อยวางได้ใจก็จะหลับความทุกข์ต่างๆได้ใจก็จะขึ้นไปเป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆจนไปถึงขั้นสูงสุด คือขั้นพ่านิพพานได้ด้วยการปฏิบัติ <c oughs> วิปัสสนาภาวนาสนับสนุนด้วยการปฏิบัติสมถภาวนาก่อน <c oughs> แล้วก็สนับสนุนด้วยการทำกระทําความดีต่างๆทําบุญทําทานและสนับสนุนด้วยการไม่กระทําบาส <c oughs> นี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถพิสูจน์เรื่องของกฎแห่งกรรมได้ เราจะถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทร ง, งสั่งสอนแะล้วเราจะไม่สงสัยเลยว่าการที่พระเจ้าทรงตัดว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นอย่างไรเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะดีหรือจะชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้จะไม่มีคาเครือบแคลงสงสัยต่อไป จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของกรรมเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของพวกเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ <c oughs> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พร <c oughs>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 จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรลาโยสุขิทีคาโยโกภวะอภิวาทนสีลิตสานิจังมุฒาปจายิโน จตารโหมวะทานติอายุวันสุขังภาลานำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวเวลาเดียวที่เราจะได้คุยกันเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวก ใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้า ม, มีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางยูได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรบนมัช ก, การพระส า, ารเจ้าค่ะ วันนี้มีผู้รับชมรับฟังทางเฟซบุ o กพระอาจารย์440ท่าน YouTube พระอาจารย์227ท่าน YouTube ของด r V Channel 125ท่านวิทยุออนไลน์11ท่าน c r a ์ House 16ท่านหน้ากุฏิ123ท่านรวมเป็น942ท่านเจ้าค่ะ เชิญถามได้เลยถ้ามีคำถามอะไรมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะของคุณขุนพิทักษ์ราชดรมีคำถามถามพระอาจารย์ครับวันนี้ผมได้นำพัะนาหารไปถวายพระ แต่ไปที่วัดแล้วเจอชาวบ้านเขาบอกว่าพระวัดนี้ฉันมือเดียวผมเลยเอาอาหารไปให้พวกมดแมลงในป่าข้างทางน้าผมก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ส่วนหนึ่งผมดื่มเองการกระทำอย่างนี้ตายไปจะกลายเป็นเปรตหรือเปล่าครับไม่หรอกรอก็เราทำบุญเราไม่ได้ไปขโมยของใครไม่ไม่เป็นเปรตเป็นบุญจริงแต่ ว, ว่า เอาน้ำไปลดต้นไม้นี่ไม่เป็นบุญเลยเพราะต้นไม้ไม่มีชีวิตชีวามันไม่รู้มันไม่มีส่วนรับรู้คุณประโยชน์แต่พวกมดแมลงนี้เขาก็ยังกินอาหารที่เราไปเทให้มันกินได้อยู่คำถามต่อไปจากคุณทิวเตอร์นคนรินกราบยินถามพระอาจารย์เจ้าค่ะขณะ น, นี้บัณดาของข้าพเจ้า ป่วยด้วยโรคชราไม่สามารถรับอาหารและน้ำได้แล้วนีชานเปิดธรรมมาบทสวดมนต์ต่างๆให้ท่านฟังแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านมีสติรับฟังได้มากแค่ไหนเป็นลูกก่อนสิ้นลมหายใจก็อยากให้ท่านจากไปอย่างสงบลูกปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าขากระสาธถูเจ้าคะ่าาเาคะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะ ส่วนท่านจะทำาัดทตามได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านคำถามต่อไปจากคุณสิริพรเลิกยามกลับคำถามพระอาจารย์การที่เรามีความอยากลดลงจะทำให้พบชาติเราลดลงไปด้วยหรือไม่เจ้าค่ะมันก็อยู่ว่ามั น, นมันลดล ด, ดบ่อยหรือเปล่าลดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับเพิ่มมาอีกก็ได้ ก็ต้องดูว่ามันลดอย่างทาวอนหรือเปล่าถ้าลดอย่างทาวอนนี้มันก็จะลดภพชาติได้<ม>แต่ถ้าลดแบบลดวันนี้แล้วก็ไปเพิ่มไปอีกสองวันต่อมาเพิ่มมากกว่าที่เราลดไปนี้มันก็อย่างาไมกก่ก็วัดไปเรื่อยๆก็แล้วกันอันนี้ของต้องดูดูระยะเวลาที่เราเลิกดื่มโุดาได้ไปตลอดหรือเปล่า<ม>อย่างนี้ฮเลิกช้อปปิ้งได้ตลอดเวลาหรือเปล่า อันนี้ถ้ามันต้องวัดแบบยาวๆไม่ใช่ว่าลดวัดแค่ครั้งสองครั้งนาะคำถามต่อไป<ม>จากคุณเหล็กสมรักกวดนอก<ม>ทางเดินสุนิพันธ์คือถือศีลให้บริบูรณ์ปฏิบัติกรรมฐานให้มีสติทุกๆอริยบทเวลาโกรธก็รู้รู้แล้วก็วางเฉยให้สักแต่หรือว่าไม่รู้ไม่ไปปรุงแต่งทำแบบนี้ทุกๆผลทัพพาไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะ จนไม่ว่าจะเจออะไรก็เฉยเฉยโกรธก็เฉยดีใจก็สักแต่ว่าดีใจมีแต่เพียงรู้แต่เราจะไม่ปรุงแต่งใช้ใหม่เจ้าค่ะการสาธุใ ช, ใช่ต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าให้ไปยินดีร้ายกับสิ่งที่เรารับรู้ ร, รู้เห็นคำถามต่อไปจากคุณย่าเฟเบอร์ หนูไม่เชื่อเรื่องการตัดกรรมและปีชงเพราะหนูเชื่อกรรมเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ต้องติดอยู่แบบนั้นถ้าตัดได้งั้นใครก็อยากทําอะไรแล้วก็มาทําพิธีตัดกรรมแล้วจบไม่จริงหนูเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องกรรมเก่าเราทําไปแล้วไปลบล้างไม่ได้เราลบล้างกรรมใหม่ที่จะทําที่ยังไม่ได้ทําได้อยู่เช่นเราจะคิดไปฆ่าสัตว์นี่เราก็เปลี่ยนใจว่าไม่ฆ่าดีกว่า กรรมใหม่ก็ไม่เกิดสำหรับผู้หญิงที่จะตั้งท้องแล้วอยากจะทำแท้งเนี่ยก็เปลี่ยนใจซะไม่ทาดีกว่าเลี้ยงให้เขาคลอดออกมาถ้าเราไม่มีปัญญาเลี้ยงก็มีคนใจบุญเขาจะมาขอรับไปเป็นพ่อแม่อยู่เยอะแย ะ, ะให้เขามีโอกาสได้เกิดดีกว่าเพราะเป็นการฆ่า เ, เราเราต้อง แต่เนี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาทําบุญทีหลังบางคนไปทําแท้งแล้วก็มาขอทําบุญอขอให้รับล้างกรรมที่ได้ทําไว้มันล้างไม่ได้แล้วมันทําไปแล้วมันเกิดมันจะเป็นผลตามมาไม่ช้าก็เร็วชาติหน้าเกิดไปเกิดทัองแม่เขาทัองแม่แม่เขาก็ทําแท้งเราเนี้ยเราก็จะไม่ได้เกิด <c oughs> ทำทำหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะอ่ะอาเรื่องกรรมนี้อย่าไปประมาณอย่าไปคิดว่าเป็นของเล่น ของจริงและของที่มีผลกระทบโดยตรงกับตัวเรางแต่ว่ามันช้าเรือเร็วก็อาจจะมองไม่เห็นส่วนเร็วก็แต่เราก็เราก็ไม่เห็นส่วนเร็วก็คือความรู้สึกในใจเราเนี่ยทุกครั้งที่เราทําบาปในใจเราจะไม่สบายเห็น <c oughs> ไหมไปทําแท้งแล้วก็มาทําบุญมาแก้ความรู้สึกไม่สบายใจไปมันแก้ไม่ได้สู้อย่าทําไม่ดีกว่าเล <c oughs> ถ้าไม่ทําเราก็จะได้ไม่ต้องมา มาทําบุญกันมาแก้กรรมกันแล้วก็ถือว่าเป็นความความไม่รู้ของเราก็แล้วกันมากการกระทำของเราแต่ละอย่างนี้มันผลมีผลเกิดตามมาถ้าเราไม่อยากจะตั้งคันเราก็ต้องหาวิธีป้องกันถ้าถ้าเราไม่ป้องกันพอเกิดเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่จะจ ะ, จะตัด ความรับผิดชอบไปด้วยการทำทำให้สิ่งที่จะมาเกิดให้เขาตายไปแล้วก็มาเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังแล้วมันจะติดเป็นนิสัยต่อไปด้วยเดี๋ยวทำครั้งหนึ่งได้เดี๋ยวก็จะทำครั้งต่อไปมันก็จะสะสมบาปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้เราเชื่อให้มีฮิริโอตตะเรื่องบาปกรรมนี้ต้องมีฮิริโอตตะถึงจะยับยั้งมันได้ ที่หรือก็คือความละอายคนทำบาปนี้ไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญมีแต่คนเขาประนามแล้วก็ต้องมีความกลัวของผลของบาปที่จะตามมาโดยเฉพาะผลที่เกิดกับดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจของเราผลในปัจจุบันนี้อาจจะไม่มากก็ได้ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี่มันส่งผลกระทบมากให้ระมัดระวังก่อนจะทำอะไรให้คิดดี ก่อนานะการกระทำนี้ทำไปแล้วเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบาปก็รีบระ ง, งับเสียถ้าเป็นบุญก็รีบทำเลยคำถามต่อไปจากคุณแก้วเจ้าค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะลูกไม่ชอบพ่อทั้งที่พ่อทำทุกอย่างให้ลูกเป็นแม่คนกลางนักใจมากเจ้าค่ะส่วนพ่อก็ทำให้ทุกอย่างแต่ก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันขอความอนุคอลูกด้วยเจ้าค่ะ ก็อาจจะเคยเป็นเวรเป็นกรรมกันมาก่อนกก่อนชาติก่อนอาจจะเคย <c oughs> กัดกันมาก่อน <c oughs> เรามาเจอกันชาตินี้ก็กัดกันต่อ <c oughs> เราก็เป็นคนกลางเราก็เฉยๆไปไม่ใช่เรื่องของเราไป <c oughs> ถ้ามีโอกาสสอนลูกได้ก็สอนให้เขามองบุญคุณของพ่อ <c oughs> ถ้าไม่มีพ่อนี้ก็จะไม่มีเรา <c oughs> ถึงแม้ท่านอาจจะพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดี ก็อย่าไปถือสาให้มองถึงบุญคุณของท่านว่ามันมากมายยิ่งกว่าความไม่ดีของท่านให้อภัยให้รู้จักให้อภัยกันแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมีเรื่องก็พยายามรีบรีบเลีล่ยง ก, กันไปพ่อมาทางนี้แล้วก็ไปทางนู้นเสียแล้วกันอย่าประชิญหน้ากันแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาก่ อ, อเกวรกรรมกันใหม่เวรกรรมเก่าถ้าเราไม่มา ไม่ต่อเติมเดี๋ยวมันก็หมดไป <c oughs> คำถามต่อไปกราบเรียนถามเจ้าค่ะในหนังสือสวดมนต์มักจะมีคาถาต่างๆเช่นคาถาป้องกันภัยคาถาเศรษฐีคาถาเหล่านี้หากท่องแล้วจะสำริดผลจริงไหมเจ้าค่ะก็ถ้าสำลิดผลก็ไม่มีภัยอย่างนี มันไม่มีไฟไหม้ไม่มีรถเกิดอุบัติเหตุไม่มีเรือควา่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปป้องกันภัยต่างๆได้นะมันเออาจจะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราสวมดมนต์แล้วเราจะมีสติมีอุเบกขาเวลาเกิดภัยขึ้นมาเราก็จะไม่วุ่นวายใจได้นะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีอุเบกขาเวลาแก่เหตุขึ้นมาใจเราจะรุ่มร้อนใจเราจะวุ่นวายน การสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติสร้างอุเบกขาให้ใจเราเป็นใจที่เป็นกลางปล่อยวางกับเหตุการณ์ต่างๆได้อันนี้ต่างหากทีเ่เป็นผลที่จะได้จากการสวดมนต์จะสวดบนไหนก็ได้ไอคาถาต่างๆมันก็เป็นคนแต่งขึ้นมาไนะแต่งไปมันก็นแค่คำพูดเป็นแค่ตัวหนังสือมันไม่มีผลกระทบ มันไม่สามารถไปเปลี่ยนปลงภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้แต่มันทำให้ผู้ที่สวดนั้นจะมีคุปคุ่มกุ้มการทางด้านจิตใจจะทำให้จิตใจไม่ทุกข์ร้อนไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคำถามต่อไปจากคุณนาวานาวี หนูให้เงินแม่แล้วแม่ไม่ได้เอาไปใช้เพื่อตัวเองเท่าไหรค่ค่ะกลับประหยัดแล้วเอาเงินไปซื้อข้าวให้ลูกอีกคนนึงกินทุกวันเขาเพิ่งขายบ้านได้เงินเป็นล้าน แต่ไม่ให้เงินแม่ใช้เขาอ้างว่าเก็บไว้ใช้ตอนแก่หนูรู้สึกไม่พอใจที่พี่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หนูอยากให้แม่มีความสุขแต่หนูกับไม่สุขใจไม่สบายใจเสียเองค่ะที่จะให้เงินแม่ใช้จำนวนเท่าเดิมอีกแล้วพระอาจารย์คะหนูควรทำอย่างไรดีหนูควรคุยกับแม่ใหม่คะ่ะว่าหนูจะลดเงินเดือนแม่แล้วส่วนนั้นมาทาบุญ ส, สาธารณสงเคราะห์คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ เป็นสัจจะตั้งใจของหนูเองค่ะทำแบบนี้หนูจะมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าเป็นกิเลส ข, ของหนูเองขอพระอาจารย์เมตตาอบรมสั่งสอนหนูด้วยเจ้าค่ะคือแม่เราก็ต้องดูแล <c oughs> ต้องทำบุญกับแม่ได้บุญมากทำบุญกับแม่นี้ทได้มากก็มาทำบุญกับเราอีกอย่งนีต้องทำบุญให้กับแม่ก่อนให้แม่อยู่อย่างสุขสบายก่อน อย่าปล่อยให้แม่เดือดร้อนแล้วไปทําบุญกับพระอริยะที่นู่นที่นี่ครูบาอาจารย์พระอริยะทั้งหลายท่านสอนว่าให้ทําบุญกับพระหลา์ที่บ้านก่อนให้พระหลานที่บ้านได้รับการดูแลอย่างฉุกอย่างสบายแล้วถ้ามีส่วนเกินมีส่วนเหลือก็ค่อยเอาไปทํากับพระอริยะบุคคลั้างล่างหรือหรือไปทํากับใครก็ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีใครมีความสําคัญเท่ากับพ่อกับแม่ของเรา ขาดพ่อกาดแม่เราเกิดมาไม่ได้งั้นเราอย่าลืมข้อนี้ <S <S อย่าไปมองเรื่องอื่นมาเป็นประเด็นที่จะทําให้เราไม่ไปทํําทาบุญกับพ่อกับแม่เรา <S <S ถึงแม่พ่อแม่จะเลวร้ายพ่อแม่เขาจะทุบตีเราก็ตามแต่การให้กําเนิดของท่านให้กับเรานี่มันมันมีคุณมากกว่าการกระทําที่ไม่ดีต่างๆของท่านถึงแม้ท่านฆ่าเราก็อย่างมากก็ถือว่าเจ้าท่นเอง ท่านให้ชีวิตเราท่านก็สามารถที่จะเอาชีวิตของเราคืนได้ก็ mm hmm. มันก็เจ้ากันท่านนเองนั้นไม่ว่าการกะระทํำใดของท่านนี้จะไม่มีการที่จะมาทําให้เร า, เาไม่เป็นหนี้บุญคุณของท่านนต้องเป็นหนี้เพราท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเรามาถ้าอยากจะใช้หนี้ก็ให้ท่านเอาชีวิตคืนไปแต่ท่านก็ไม่เอาหรอกนี่พูดเป็นเพียงแต่ในการเปรียบเทียบไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ ที่อยากจะทำร้ายลูก อ, อยากจะเลี้ยงดูลูกอยากให้ลูกดูดีรุ่มเย็นเป็นสุขนั้นก็ต้องอย่ามองข้ามพ่อแม่ไปไม่ว่าจะมีเหตุมีผลอะไรก็ตามอยากให้มันมาลบล้างหน้าที่ที่เป็นลูกที่ดีของเราคือการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปทาบุญที่อื่นจะทำที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราพอใจ คำถามต่อไปจากคุณบีการมีความสุขในการสวดมนต์และอยากใส่ทํานองในการสวดผิดไหมเจ้าคะอยากอนะไรเนี่ท า, างสวนนะมีการมีความสุขในการสวดมนต์และอยากใส่ทํานองในการสวดผิดไหมเจ้าคะมันมีทํานองด้วยเหรอสวนมนต ไ, ไม่รู้นะก็สวดไปเฉยๆก็พออย่าไปใส่อะไรมันเลยเพราะมันเป็นกา ร, รมาฉันท์่าขึ้นมา มันเป็นความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งมันจ ะ, ะเป็นโทษได้เอาแต่ส่วนเฉยๆไปดีกว่าจะได้เป็นความสุขโดยบริสุทธิ์ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเติมแต่งเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องใส่พริกใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่อะไรให้มันปรุงรสมนันหรอกกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายอิ่มชดวันก็เพื่อให้ใจอิ่ ม, มใจอิ่มไม่ต้องไปใส่รูปเสียงกลิ่นรสสีสันเข้าไปด้วยหรอกน คำถามต่อไปจากคุณท็อปขอบุภากราบขอโอกาศเรียนถามครับกระผมนั่งสมาธิแล้วมันนิ่งเป็นชั่วโมงกว่ า, วาแต่ละครั้งอยากทราบว่าจะต้องพิจารณาทางปัญญาเลยไหมครับหรือให้สงบอ ย, อยู่ยแบบนั้นครับให้สงบไปนานๆจนกว่าจะถอนออกมาก่อนพออยากสมาธิมาแล้วถ้าอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาร่างกายว่ามีอาการสาสบสองไม่มีตัวมีตนในร่างกายอันนี้เป็นดินน้ําลมไฟให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนเปลี่ยนทัศนคติของเราจากการมองว่าร่างกายเป็นตัวเรากลายเป็นมองว่าเป็นดินน้ําลมไฟเป็นอาการสาสบสองเป็นของที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต้องพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราถ้ายังไม่ฝังอยู่ในใจก็พิจารณาไปเรื่อยๆ จกกวว่่าาเราะไมลัวความแก่ำถามต่อไปจากคุณหมวยจิว๋วสมาทานพระกรรมฐานไม่ต้องจุดทุบเทียนได้ไหมเจ้าคะได้ไม่ต้องทุบเทียนไ ม, ม่ต้องดอกไม้อะไรกนะารปฏิบัติทางธรรมนี้อยู่ที่กายวาจาใจให้บูชาด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูบชาจากคุณมาลินเกอคุณ เวลาที่ฟังพระอาจารย์จะตรงกับเวลาทานข้าวและกินยาทุกครั้งรู้สึกไม่สบายใจจะบาปไหมคะเพราะโรคประจำตัวคนแก่เจ้าค่ะก็กินก่อนก็ได้กินหลังก็ได้มันไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่ต่างกันมากหรอกชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงเดียวให้ฟังธรรมถ้าถ้ารู้ว่าจะฟังธรรมเวลานี้ก็กินก่อนสักห้านาทีก็ได้<ม>ก็ห่างกันแค่หรือไม่ก็รอให้ฟังธรรมเสร็จแล้วค่อยกินก็ได้ ไม่มีปัญหาหรอกไม่จำเป็นต้องเปรอะเประทุกอย่างคะคำถามจากดรวีชา n นลคุณสุภณีกราบน้ัศสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเรามีจิตชอบคิดอกุศลไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆเราจะมีวิธีแก้ไขายอย่างไรคะเราไม่อยากคิดแต่ชอบคิดขึ้นมาเองพยายามข่มใจไม่คิดแต่ไม่ช่วยอะไรคะ่ะ ต้องใช้สติข่มใจไม่ได้หรอต้องใช้พุโทโธพุโทโธเวลาคิดอะไรไม่ดีก็พุโทโธไปหรือสวนดนิติปิโสไปสวดไปจนกว่าความคิดไม่ดีจะหยุดถ้ายังไม่หยุดก็สวดไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วขั้นต่อไปก็สอนใจว่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีจะทําร้ายเราให้เห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเห็นโทษออกมาแล้วต่อไปเราก็จะไม่กล้าคิดเอง คำถามจากคุณขจรวรพันกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าความต่างระหว่างตอนที่พระพุทธเจ้าได้วิชาสามในนั้นในปฐมยามได้ปุเพนิวาสานุสติญาณกับตอนที่ท่านเป็นนักพรตกับอาจารย์ดาบททั้งสองที่ท่านได้สมาบัติ8การรึกชาติมีความต่างกันอย่างไรครับเอออันนี้เหมือนเรื่อง เรื่องมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้หรอกนให้รู้ว่าการการหยุดการเกิดของเราทําได้อย่างไงก็พอความรู้เหล่านี้ปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองเอามาเล่าให้ฟังก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนไม่จําเป็นจะต้องรู้คอยรู้วิธีทําลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจก็พอหมดแล้วเลยหมดแล้วจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมอาเข้ามา หนไมยให้หน่อยไหมถามธรัมสารหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกปฏิบัติเจ้าค่ะนั่งสมาธิทีเนี้ยมันเกิดเวลานั่งสมาธิไปเราลมหายใจตอนแรกเราก็มีลมหายใจมีพุทโธอยู่สักพักมันก็หายไปทีนี้พอหายไปเสียงทุกอย่างก็ไม่ได้ยินที่เราได้ยินอยู่ก็ไม่ได้ยิน จะคิดอะไรก็คิดไม่ออกเหมือนจะนึกอะไรก็นึกไม่ออกคะ่ะก็เลยรู้อยู่อย่างเดียวทีนี้พอลูกถอนออกจากสมาธิขึ้นมามันก็เหมือนมีความคิดผุดขึ้นมาแต่ว่าในใจเรามันขึ้นว่าเหมือนมีความคิดอย่างงน้นอย่างนี้แต่เราดูเฉยๆอารมณ์มันไม่ได้ตามไปแล้วมันก็หายไปเป็นปกติแต่ว่าเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปจับความคิดขึ้นมาแต่ในใจเรา รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแค่ความคิดขึ้นมาทุกอย่างผุดขึ้นมาอย่างนี้คะลูกก็รู้อยู่เฉยๆแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราปรารถนาจะถึงพันิพาลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะถ้าเราทำขั้นสมาธิมันคิดเราก็ต้องหยุดคิดไปเรื่อยๆก็ อ, อย่าให้มันคิด ค่ะนเราสามารถสั่งให้มันคิดหรือหยุดคิดได้ค่ะขั้นต่อไปล้วก็สั่งให้มันคิดไปทางวิปัสสนาค่ะคิดไปทางไตรัก ค, <kah. S 1> คิดไปทางอาริยสัจสีเจ้าค่ะแ่นั้นแหละการกรขั้นต้นก<ะ>็ควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้สั่งให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คิดเรื่องไม่ดีก็สั่งให้มันหยุดได้เจ้าค่ะแล้วก็สั่งให้มันคิดเรื่องที่ดีค่ะเจ้าค่ะ แล้วต่อไปก็จะคิดแต่เรื่องดีๆที่ทำให้กิเลสตัณหาหายไปหมดไปจากใจได้เจ้าค่ะกลับธรรมศการเจ้าค่ะคาถามต่อไปจากคุณแม็กมมกลับธรรมกมารถามครับการบริกรรมคือเรานึกท่องคำอะไรก็ได้ในใจไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดถึงความหมายมันหรือดูลมหายใจหรือเพ่งดูภาพอะไรก็ได้โดยไม่ได้ถึงความหมายใช่ไหมครับก็ไม่หมายว่ารูปอะไรก็ได้บริกรรมคำไหนก็ได้มันมีกรรมฐานสี่สิบอยู่ที่ให้เราเลือกเช่นให้เราเจริญพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธธรรมานุสติก็ธรรมโอธรมโอสังคานุสติก็สังโค มานานุสติก็คือความตายมันก็มีกรรมฐานสี่สิบลองเข้าไปค้นดูแล้วก็ใช้กรรมฐานเหล่านั้นมันเป็นอารมณ์กล่อมใจได้อย่างอื่นนี้ไม่ได้แนะนำก็อย่าไปใช้มันมันอาจจะทำให้ใจไม่สงบก็ได้คำถามจากป้าอ้วนเจ้าคะ่ะฉันดูแลคนแก่ พอที่หลงหลมลืมลืมบางครั้งฉันก็หลงตัวเองที่พูดเสียงดังให้ท่านบาปมากไหมคะก็พูดํำไม่ดีมันก็มันก็บางทีก็บาปมากบาปน้อยฉันพยายามพูดคำอ่อนโยนพูดคำสุภาพเพื่อจะทาให้คนเขาสบายใจพูดคำที่รุนแรงก็อาจจะทําให้เขาไม่สบายใจได้ก็ต้องฝึกสติไง มองกลับว่าถ้าเกิดคนเขาพูดกับเราแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไรบ้างเอาหัว อ, อกเขามาใส่หัว อ, อกเราแล้วเราก็จะทําให้เรามีความคิดที่นะมัดระวังว่าเราพูดอะไรนี่ถ้าเราไม่อยากคนอื่นเขาพูดอย่างนี้กับเราเราก็อย่าไปพูดอย่างนี้กับเขาคำถามต่อไปจากคุณระเบียบหนูควรอยู่กับความทุกข์อย่างไรดีเจ้าคะ ก็ปล่อยมันทุกไปเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายเองเหมือนอยู่กับฝนตกแดดออกฝนตกแล้เดี๋ยวมันก็หยุดเองมันไม่มีอะไรที่อยากอยู่ขํามฟ้าหรอทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปถ้าเราทําใจให้เฉยๆได้ไม่ไปอยากให้ความทุกข์หายไปเดี๋ยวมันก็หายเองยิ่งไปอยากให้มันหายมันยิ่งทําให้เราทุกข์มากขึ้นไปสี่นั่นต้องหัดฝึกสติทําใจให้วางเฉยให้ได้ หมดแล้วยังมีคำถามจากคุณแม็กต่อเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นกรรมฐานสี่สิบกองเราเลือกที่ชอบมาหนึ่งกองแล้วนึกถึงให้มากๆใช่ไหมครับใช่คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจง เ, าเอามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ